กราบขอโอกาสจากหลงพ่กลมหลวงพ่อทองสุขนะรบกราบขอโอกาสจากพระจัทนทร์ทรงศิลก็กราบขอโอกาสจากพระจันทร์สุรินทร์นะฮะแล้วก็เพื่อนสาธมิรนะ <c oughs> ก็มีพระจากหมู่บ้านคลำด้วย <c oughs> แล้วก็พวกเรานะฮะสมณเณรแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พวกเราก็มาปฏิบัติธรรมกันเนาะคาว่ามาปฏิบัติธรรมก็จริงๆแล้วก็คือมาทำดีกันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่พวกเราก็จะต้องเหมือนกับหาวิธีการที่จะทำยังไงให้ชีวิตเราได้มีโอกาสทาดีกันในเวลาที่ผ่านมาชีวิตของพวกเราก็อาจจะคิดว่าเราก็ได้ทำในสิ่งดีๆแล้วเนาะ แต่ว่านั่นคือบางครั้งเราก็เกิดเดือดเนื้อร้อนใจตามหลั ง, ลงเกิดความท้อใจไม่อยากทำแล้วบ้างาเรงตานานานาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็ได้พบกันมาตลอดชีวิ ต, วตนั่นคือเป็นสิ่งที่เราได้พยายามแล้วแต่ว่าตรงนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าณวันนี้เนาะณวัน น, นะ น, น, นี้ภายใต้เขาเรียกว่า การชี้นำหรือภายใต้เข็มทิศของพุทธเจ้าเนี่ยเราก็พบว่าในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการทำความดีของพวกเราอาจจะมีอุปสรรคเนาะเรียกว่ามีความอยากมีความอยากนาหน้าอยากทาดีเพราะฉะนั้นเมื่ออยากทำดีเนี่ยเราเองเราก็อาจจ ะ, จะมีทุกข์เพราะว่าอยากจะได้ผลตอบแทน เมื่ออยากจะได้ผลตอบแทนปรารถนาสิ่งใดแม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราณนะวันนี้เองพวกเราได้เข้ามาเข้ามาสู่เรียกว่าสู่พื้นที่ของวัดป่าสุกโตเข้ามาสู่แนวทางการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อเทียนได้วางเอาไว้หลวงพ่อเทียนก็ตอนที่ได้เข้าใจธรรมก็เป็นโยมเหมือนกันกับ พวกเราตรงนี้เนาะอย่างนั้น<อ>ก็เราก็ได้รู้ว่าอ๋อนี่นะองโยมนี่ก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจธรรมมีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์ได้ตรงนี้เป็นสิทธิ์ที่เราเองเนี่ยอาจจะลืนกันไปนเพราะว่าเราอาจจะตื่นเต้นกับสิทธิ์ของการเลือกตั้งบ้างอะไรต่างๆที่เพิ่งผ่านไปแต่ว่าเรามีสิทธิ์อันนึง ที่ไม่ต้องมีใครให้เลยก็คือสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์แล้วก็ตรงนี้แหละที่พุทธเจ้าเนี่ยได้เป็นผู้ที่ได้วางเข็มทิศเอาไว้แล้วถ้าหากว่าเราได้เดินตามพุทธเจ้าเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่ารับรองไม่หลงทิศผิดทางอย่างที่เมื่อกี้พระจันทสุลินได้พาเราสวดเนะาะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็ได้ถามพุทธเจ้าว่าจะทํำยังไงเนาะ ให้ชีวิตเนี่ยได้พัฒนาขึ้นนะชีวิตได้มีโอกาสทําคุณงามความดีในมงคล38เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเช่นที่พุทธเจ้าเนี่ยได้มอบเอาไว้ให้ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งถ้าหากว่าพวกเรามีโอกาสเนาะได้กลับไปทบทวนเนี่ยพวกเราจะพบว่าสิ่งที่พุทธเจ้าได้บอกเอาไว้เนี่ยจะบอกเอาไว้อย่างละเอียดอย่างละเอียดตั้งแต่เนะาะต้องเรียกว่า ตั้งแต่การที่เราเนี่ยจะพาตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่ไหนจะพาตัวเองไปคบกับใครเราเองเนี่ยจะต้องประพฤติปฏิบัติยังไงกับกายกับบาจากับใจเราจะต้องทำยังไงกับคนรอบข้างบ้างตรงนี้เนี่ยถือว่าพระเจ้าเนี่ยก็ได้บอกเนาะในพระสูตรอยู่บทหนึ่งเนี่ยพระเจ้าได้บอกว่ากิจอันใด ที่เสสที่ศาสดาเนาะผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกื่อกูลกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วตรงเนี้ยเราจะพบว่าทุกเาเรียกว่าทุกคำสอนของพทเจ้าหรือเรียกว่าพระสูตรก็ได้ที่พวกเราสวดกันเนี่ยบางครั้งพวกเราอาจจะพบว่ามันมีคำที่ซ้ำๆกันซ้าๆกันซ้าๆกันเนี่ยมากมายไปหมดบางทีก็มีการกราบสามครั้ง บางทีก็มีการย้ำพูดถึงสามครั้งบางทีเปลี่ยนนิดเดียวเท่านั้นเองก็ยังเอามาพูดกันเป็นตั้งหลายหลายครั้งแต่ว่าถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยได้เาเรียกว่าได้เอาใจใส่กับรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยจะพบว่าพุทธเจ้าเนี่ยได้ให้เขาเรียกว่าวิธีการปฏิบัติของเราเนี่ยยังไม่มีช่องว่างไม่มีช่องโผไม่มีทางที่เขาเรียกว่า ะจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ไม่มีทางที่กิเลสเนี่ยจะแทรกเข้ามาได้ไม่มีทางที่ความทุกข์เนี่ยจะแทรกเข้ามาได้ตรงเนี้ยนะนะก็ให้พวกเราเนี่ยได้ลองทบทวนกันดูอย่างเรื่องของการปฏิบัติเนี่ย<ม>ก็จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองก็ได้บอกตรงเข้ามาเลยว่าเราเนี่ยต้องมาปฏิบัติที่จิตที่ใจเพราะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้เหมือนกับพยายามเนาะ พยายามที่จะตรวจสอบพยายามที่จะปฏิบัติทางนั้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนหน้าที่จะตรัสรู้ก็ได้พยายามที่จะทำเนาะก็เรียกว่าทรมานกายบ้างนะพยายามที่จะทำอย่างโน้อนอย่างนี้บ้างทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการทำเนาะที่ผิดทางทั้งหมดเพราะเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้ า, ยาบอกเอาไว้ว่าท้ายที่สุดเนี่ย ทางนั้นนะไม่ใช่เนาะไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกเอาไว้เนี่ยณนะวันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เรามาทํางานกับจิ ต, จตกับใจของเราหลวงพ่อเขียนจะบอกบอกว่าการเพียรที่ถูกต้องเนาะการเพียรที่ถูกต้องคือการเพียรที่จะสล ะ, สละความคิดทิ้งไปตรงเนี้ยสิ่งที่พวกเรากําลังทําอยู่เนาะนะกำลังทําอยู่ก็คือสิ่งที่เป็นอย่างนั้น หลวงพ่อเทียนเนี่ยบอกเอาไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยพวกเรารู้ตัวว่าหรือคำว่ารู้สึกได้ว่าเรากำลังคิดอยู่เนาะเราก็ให้กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวถ้าเมื่อเราเมื่อไหร่เรารู้สึกตัวได้ว่ากำลังคิดอยู่เราก็กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวเรารู้สึกได้ไหมว่าในขณะที่เรากาลังยกมือ14จังหวะเนี่ย กายเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวอยู่นะหรือว่าในขณะที่เราก e ําลังเดินจงกรมเนี่ยกายกําลังเคลื่อนไหวอยู่นะแล้วก็ในขณะที่เรายกมือ14จังหวะไม่ใช่เพียงแค่แขนและมือเท่านั้นที่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่ายังมีอีกหลายส่วนยังมีไหล่บ้างยังมีคอบ้างยังมีศรีรษะบ้างยังมีจมูกปากคางเยอะยะไปหมดที่มีความเคลื่อนไหวหรือว่าในขณะที่เรากําลังเดินจงกรมไม่ใช่เพียงแค่ เท้าเท่านั้นที่สัมผัสพื้นแต่ก็ยังมีเนาะขาบ้างสัมผัสกับกางเกงแขนบ้างสัมผัสสัมผัสกับเสื้อหรือว่าการที่เรามีเนาะแขนที่เคลื่อนไหวบ้างไหล่ที่เคลื่อนไหวบ้างสิ่ง ต, ต่างนานาเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยได้สรุปเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีสติลงไปกับความเคลื่อนไหวของกายเราตรงนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยจะได้ประโยชน์ ได้ประโยชน์ก็คือได้มีโอกาสที่จะไม่ทุกขตรงจุดนั้นตรงเนี้ยเนาะสิ่งที่บทมงคนสูตรที่บอกว่าการเห็นความจริงของพระอริยะเจ้าก็คือการเห็นความจริงของอะไรในการปฏิบัติทั้งหมดของทางพุทธศาสนาเราต้องการเพียงแค่ว่าการที่ไม่มีทุกเนาะการที่ทํำยังไงที่เราเนี่ยจะไม่มีทุกขเราลองสังเกตดูว่า ในขณะที่เรากําลังมีความรู้สึกลงไปในกายเนาะมีความรู้สึกลงไปกับการเคลื่อนไหวตรงเนี้ยในเซี่ยววินาทีนั้นนะความคิดเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้เนาะความคิดเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้เรามาปฏิบัติกันสองสามวันเนี่ยเราเองเนาะอาจจะมีความคิดหลายๆอย่างเกิดขึ้นเอ๊ะทำอย่างนี้แล้วจะได้อะไรเอ๊ะทำอย่างนี้ทําไปทําไม เอ๊ะทำไมจะต้องทำอย่างนั้นเอ๊ะทำไมจะต้องทำอย่างนี้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่านั่นคือเราคิดขึ้นมาแล้วเรารู้สึกตัวหรือเปล่าว่าเรากำลังคิดอยู่และในขณะที่เรารู้สึกตัวว่าเรากำลังคิดอย่างนั้น่ะถ้าเรารู้สึกตัวได้เราจะพบว่าตรงนั้นละ่ะความรู้สึกตัวเราจะกลับมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวทันทีโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไหลเข้าไปอยู่กับความคิด เราก็จะพบว่ามันก็จะมีการปรุงแต่งไปเลือกอื่นๆต่ออีกอย่างนี้ถูกหรือเปล่าอย่างนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้จะเสียเวลาหรือเปล่าตรงเนี้ยนะก็จะเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยก็ เ, ย เ, เรียกว่าเราอยู่บนความหลงหลงไปคิ ด, คดเมื่อหลงไปคิดเนี่ยมันก็จะไหลไปกับการปรุงแต่งนหรือเราที่เรียกว่าสังขารตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกข์โดยตรงเพราะฉะนั้น การปฏิบัติของเราเนี่ยขอให้พวกเราเนี่ยเนาะได้เพียรเพียรที่จะสละความคิดไว้ก่อนเมื่อเช้าหลวงพ่อคำเขียนก็ได้เมตตาเนาะเรียกว่าเทศให้พวกเราจริงๆก็พวกเราก็ได้ฟังเทศของหลวงพ่อคำเขียนมาสองวันซ้อนๆซึ่งตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนก็ได้ยืนยันเนาะว่าเพียงวิธีการอย่างนี้ละ่ะที่จะเป็นทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางและทั้งที่สุดเพราะเนื่องจากว่า เพียง <spe ech ing> แค่เราเนี่ยได้เริ่มที่จะรู้สึก ก, กับการที่ <ใน S 2> กายเคลื่อนไหวรู้สึกได้กับใจที่คิดนึ ก, นกตรงเนี้ยเราถ้าหากว่าเราเริ่มทำความรู้สึกตรงนี้ได้เนี่ย น, นั่นแสดงว่ารเรากาลังเริ่มที่จะเป็นผู้ดูเมื่อเร า, ากาลังเริ่มที่จะเป็นผู้ดูเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับกายนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับใจนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามีข้อมูลมากขึ้นมากขึ้น การที่เราดูหนังสือเล่มหนึง่งครั้งแรกๆกเนี่ยอาจจะดูไม่รู้เรื่องอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องอ่านแล้วอ่ า, านอีกอ่านแล้ว อ, าอา่านอีกเราจะพบว่าหนังสือมีความหมายเยอะแยะไปหมดเลยตัวเราก็เหมือนกันกายเราก็เหมือนกันใจเราก็เหมือนกันในขณะที่เรากำลังดูผ่านกายที่เคลื่อนไหวล้วกำลังดูผ่านใจที่คิดนึกตรงเนี้ยเราดูกันท um, um, um, um. ั้งวันทั้งวันทั้งวันเราจะพบว่าเรามีความรู้เพิ่มเติมขึ้น เกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจเราเยอะแยะไปหมดและความรู้ตรงนี้แหละที่จะเรียกว่าเป็นปัญญาพอเพราะเนื่องจากว่าความรู้ตรงเนี้จะพาเราไปสู่การที่เราจะเอากายนี้ใจนี้พาเราพ้นทุกข์พอเพราะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเราก็จะมีนิสัยอันหนึง่งก็คือมีนิสัยที่มักจะพาตัวเองเข้าหาทุกข์หรือเขาเรียกว่าชอบทําให้ตัวเองทุกข์ก็ได้ตรงเนี้เป็นสิ่งที่เรา กำลังสร้างนิสัยใหม่เรากำลังสร้างความเคยชินใหม่เจ็ดวันที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้หรือว่าพวกเรานักปฏิบัติที่อยู่ด้วยกันมานา น, น, าน<ๆ>ก็ตามตรงเนี้ยในขณะที่เรากำลังยกมือสร้างจังหวะเนะก็ขอให้เราเนี้ยได้ลองเอาใจใส่สังเกตดูณนะขณะนี้เนียเรารู้สึกตัวได้ไหมว่าเรากำลังคิดอยู่ณนะขณะนี้เรารู้สึกตัวได้ไหมว่ากายกาลังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ ตรงนี้นะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวหรือจะเรียกว่าเป็นสติระลึกได้ว่ากายกําลังเคลื่อนไหวเป็นสติกําลังระลึกได้ว่าใจกําลังคิด น, นึกตรงเนี้นะเรามีงานอยู่เท่านี้เองมีงานอยู่เพียงแค่ว่าทํางานเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจเราเนี่ยนะโดยอาศัยสติหรืออาศาัยความระลึกได้ะะรดละลึกได้ไหมว่ากําลังเคลื่อนไหวอยู่ะระลึกได้ไหมว่ากําลังเคี้ยว ข, ข้าวอยู่ ระลึกได้ไหมว่ากำลังอาบน้ำอยู่กำลังแต่งตัวอยู่ถ้าหากว่าเรากำลังระลึกได้อย่างนั้นเนี่ยเราลองสังเกตดูว่าณขณะนั้นความคิ ด, คดทำอะไรเราได้หรือเปล่าความคิดไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้ตรงนี้ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยได้อยู่นะได้อยู่กันทุกวันทุกวันได้ปฏิบัติกันทุกวันทุกวันบนความที่พวกเราอาจจะหลงไปคิดบ้างบางทีก็ตั้งใจคิดบ้าง ตรงเนียนาะหลวงพ่อเองก็มั่นใจนะว่าเราทุกคนในขณะที่พวกเรายอมที่จะยกมือสร้างจางาังหวะหรือในขณะที่พวกเราเนี่ยยอมที่จะเดินจงกรมกันยอมที่จะลองค้นหาดูซิบ้าความรู้สึกเนี่ยเป็นยังไงลองนะลองหากันตรงเนี้ยเนาะวพ่อว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ณขณะนั้นเนี่ยความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยทอะไรเราไม่ได้เหมือนเดิม ความโกรธความโกรธความหลงที่เคยมีอยู่ประจำวันก็มีน้อยลงตรงนี้เป็นสิ่งที่ให้พวกเราเนี่ยได้ลองสังเกตเนาะว่าวันสองวันที่เราเริ่มปฏิบัติมันสองวันที่เราเริ่มนะยอมพาตัวเองลองมาปฏิบัติเนาะในท่าทางที่อาจจะไม่คุ้นตาในวิธีการที่อาจจะแปลกกว่าที่อื่นตรงนี้เนาะเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยลองสังเกตดู สังเกตถึงอะไรสังเกตถึงผลเนาะเนื่องจากว่าคำสอนของพระเจ้าเนี่ยจะมีผลของความไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ตรวจวัดเอาเลยไม่ต้องถามใครเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่ว่าเราลองตรวจสอบดูก็ได้ว่าในขณะที่เราอยู่ทางโลกเนาะหรือว่าเราอยู่กับที่บ้านเราอยู่กับที่ทำงานเนี่ยวันๆหนึ่งเนี่ยเราทุกข์มากกว่านี้หรือเปล่าทุกข์มากกว่าที่เราอยู่ในเขตวัดหรือเปล่า ทุกมากกว่าในขณะที่กําลังตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่หรือเปล่าตรงเนี้เป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าพวกเราพบว่าเราทุกน้อยลงเนี่ยตรงนี้แหละหมายความว่านี่คือการปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเพราะว่านี่คือสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าแม้เราจะไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแม้เราจะเพิ่งเคยปฏิบัติแค่ไม่กี่วันเราก็พบว่าทุกเราน้อยลงจริงๆตรงนี้หมายความว่า ทางที่เรากําลังเดินตรงนี้ละ่ะเป็นทางที่จะพาเราพ้นทุกข์กเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็อยากให้พวกเราเนี่ยเนะนักปฏิบัติเนี่ยได้ลองเนาะลอ ง, ลองทบทวนดูประจําวันเนาะไม่ต้องคิดมากคิดไมยเนาะลองทบทวนดูวันนี้เราโมโหน้อยลงไหมวันนี้เราเผลอปากไปว่าใครหรือเปล่าวันนี้เราเผลอเอามือไปทุบไปตีใครไหมหลวงพ่อรับรองได้ว่าไม่มีเนาะในขณะที่พวกเราอยู่ในวัด ในขณะที่พวกเรากําลังตั้งใจปฏิบัติธรรมตรงนี้เป็นสิ่งที่นี่คืออยากจะบอกว่านี่เรากําลังเริ่มรู้สึกตัวเป็นแล้วเนาะจริงๆความรู้สึกตัวตรงนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทนหลวงพ่อเทียนเองเนี่ยในขณะที่หลวงพ่อเทเียนไปสอนคนต่างประเทศเนี่ยหลวงพ่อเทียนไม่ทําอะไรมากไปกว่าจับแขนเขาขยับแล้วถามว่ารู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวไหมตรงเนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า ความรู้สึกตัวเนี่ยมีอยู่แล้วทุกคนความรู้สึกตัวเนี่ยรับรู้ได้แล้วทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือความคิดเนี่ยมาบางังเหมือนกับที่พวกเราใจลอยกันในขณะที่พวกเราเป็นเด็กนักเรียนเนาะครูที่อยู่หน้าห้องเนี่ยก็จะบอกบอกว่าเอา้าสมศรีใจลอยไปถึงไหนแล้วเนาะฟังครูบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยพวกเราอาจจะเคยได้ยินกันแบบนั้นก็หลวงพ่อว่าคิดว่าทุกคนอ่ะก็เคยได้ยิน เพราะว่าการที่เราเผลอไปนั่งใจลอยแบบนั้นน่ะเป็นอยู่เป็นประจำตั้งแต่เล็กจนโตและจนกระทั่งบางทีเพื่อนส ก, กิดก็ไม่รู้ตั ว, ตวเอานั่งมือไปไหนแล้วอะไรเงี้ยนั่นนั่นคือตรงนั้นหมายถึงว่าเราเนี่ยหลงแล้วก็ไหลไปของความคิดเนี่ยเยอะแ ย, ยะไปหมดแต่ว่าในขณะที่พวกเรากำลังฝึกที่จะรู้สึกตัวด้วยตัวเองฝึกที่จะรู้สึกตัวได้ว่าเอ๊ะนี่เรากาลังหลงไปคิดเนาะอย่างนั้นตรงเนี้ย เป็นสิ่งที่เรากําลังสอนตัวเองเรากําลังสอนตัวเองเรากําลังพัฒนาการพึ่งตัวเองเนี่ยให้ถึงที่สุดเพราะว่าในขณะที่พวกเราปฏิบัติธรรมกันก็จะมีคําแนะนำนะนะว่าให้พวกเราเนี่ยอยู่กับตัวเองนะนะอย่าก็เรียกว่าพระอาจารย์ทรงศินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะพูดอยู่เป็นประจำเนาะถ้าใครไม่ถามเนี่ยก็ไม่ต้องตอบเนาะอย่างนั้นพวกเราก็คงจะมองเห็นว่า ถ้าใครไม่ถามก็ไม่ต้องตอบเนี่ยมันๆหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องพูดอะไรเลยด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นคือต่างคนเนาะต่างถ้าหากว่าไม่มีคําถามต่างคนต่างตั้งใจปฏิบัติกันตรงเนี้ยเนาะก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราเองเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างเอื้อเฟื้อกันอย่างเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้ปฏิบัติทำกันตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่านี่คือการที่พวกเราเนี่ย กำลังเนาะกำลังอยู่บนความเพียรกำลังหาสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวอยู่ตรงไหนนะตรงเนี้ยเนาะการที่เราปฏิบัติธรรมกันตรงนี้เนาะสิ่งที่หลวงพ่อเทียนเนาะสิ่งที่หลวงพ่อกําเขียนสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกเอาไว้เนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่ให้เราละกันมานั่นก็คือเรียกว่าความคิดเนาะความคิดตรงนี้หลวงพ่อําเขียนจาระบุลงไปว่า เราเนี่ยมีความคิดอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งตั้งใจคิดเนาะสองเนี่ยหลงคิดซึ่งหลงคิดตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเขียนเนี่ยจะมีศัพท์พิเศษเรียกว่า ก, การหลงคิดเนี่ยเนาะมันจะทำให้จิตเราเนี่ยมีลักษณะเป็นโสเภณีจิตเนาะอย่างนั้นทำไมถึงได้เรียกว่ามีลักษณะเป็นโสเพณีจิตเนื่องจากว่าจิตเนี่ยที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยก็เรียกว่ามันก็จะ ไหลไปเนาะอยากไปนู่นก็ไปอยากไปนี่ก็ไปไม่รู้จักเขาเรียกว่าไม่รู้จักสำรวมระวงังแต่ว่าจิตของเราเนี่ยฝึกได้ในขณะที่เรากำลังยกมือสร้างจังหวะกันอยู่ในขณะที่เรากำลังยกมือสร้างจังหวะกันอยู่ถ้าพวกเราเนี่ยได้เพียรที่จะละความคิดเนาะรู้ว่ารู้สึกได้ว่ากำลังคิดอยู่ยก็กลับมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหว รู้สึกได้ว่ากำลังคิดอยู่ก็กลับมาอยู่กายที่เคลื่อนไหวตรงเนี้ยนะจะเป็นสิ่งที่เราหัดละเนาะและทำนองเดียวกันหัดละความคิดทำนองเดียวกันเราก็กำลังฝึกจิตของเราด้วยไม่ให้จิตของเราเนี่ย ส, สับสนเพราะว่าจิตของเราเมื่อไม่ได้ฝึกเนี่ยก็จะไหลไปตามความคิดอยากคิดอะไรก็คิดเลยและทำนองเดียวกันจิตกับกายเนี่ยจิตเขาก็จะทำตัวเป็นนายกายก็กลายเป็นบ่าวไป เนื่องจากว่าพอจิตคิดปุ๊บก็สั่งให้กายทาจิตคิดปุ๊บก็สั่งให้กายทำตรงเนี้ยกายเนาะกับจิตเนาะก็กลายเป็นเครื่องมือของความอยากไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยว่าที่บอกแต่แรกว่าพวกเราอยากทำดีกันเนาะเราก็ตกเป็นทาสของความอยากแล้วเพราะว่าความอยากเนียก็นำหน้าอยู่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนาะการที่เราเนี่ยมาปุกหัด จะรู้สึกตัวกันตรงนี้ละเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการฝึกจิตเพราะเนื่องจากว่าจิตที่ถูกฝึกเนี่ยจะเป็นจิตที่ไม่เศร้าโศกเนาะเป็นจิตที่ไร้ทุลีกิเลสเนาะเป็นจิตที่เกษมสารตรงนี้เนี่ยใครจะเป็นคนทราบได้ก็คือการกลับมามองที่จิตของเราการที่พวกเราเนี่ยกำลังยกมือสร้างจังหวะกันอยู่กาลังที่จะดูว่าจิตเรา คิดนึกไปหรือเปล่าตรงเนี้ยนะเป็นสิ่งที่เรากำลังฝึกเนาะฝึกให้จิตเนี่ยดูจิตหรือว่าฝึกให้สติเนี่ยดูจิตเนาะตรงเนี้ยนะเป็นการฝึกฝึกเนาะจะมีผู้ดูเนาะดูกลับมาที่กายเราดูกลับมาที่ใจเราเมื่อเราดูกลับมาที่ใจเราเราก็จะรู้ว่าใจเราเนี่ยหม่นมองหรือเปล่าใจเราดำหรือเปล่าหรือว่าใจเราเนี่ยยังมีธุลีกิเลสอะไร หลงเหลืออยู่หรือเปล่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอนิสงของการฝึกดจูจริงเนี่ยถ้าหากว่าพวกเราฝึกที่จะดูเนี่ยเราดูปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีว่าณนะตอนนี้จิตเราเนี่ยผ่องใสไหมตอนนี้จิตเราเนี่ยซื่ อ, อหรือเปล่าหรือตอนนี้จิตเราเนี่ยหม่นหมองอยู่นั่นนั่นคือตรงนี้จิตเนี่ยพร้อมที่จะดูและพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทาก็คือ ทำให้เป็นนิสัยการที่ทำให้เป็นนิสัยก็คือหัดเนาะหัดให้เป็นผู้ดูมดเมื่อเราดูเนี่ยกายก็จะเป็นผู้ถูกดูจิตก็จะเป็นผู้ถูกดูจะมีผู้ดูอยู่ส่วนหนึง่งผู้ถูกดูอยู่ส่วนหนึง่งดังนั้นคือตรงนี้นะจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะแยกออกมาแยกกายออกไปส่วนหนึง่งแยกจิตออกไปส่วนหนึง่งแยกผู้ดูออกไปส่วนหนึง่ง <izer. S 1> เมื่อกายเนี่ยมีปัญหาเนาะ ก็เป็นปัญหาของกายเมื่อใจมีปัญหาก็เป็นปัญหาของใจผู้ดูก็เป็นผู้ดูเนาะผู้ดูไม่ได้เป็นผู้เป็นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนาะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนเนี่ยได้บัญญัติเนาะก็เรียกว่าสับง่ายๆเอาไว้ในการปฏิบัติธรรมว่าณตอนนี้เนี่ยเรากาลังฝึกเป็นผู้ดูนะไม่ใช่เข้าไปเป็นผู้เป็นเพราะว่าถ้าหากว่าเรากำลังฝึกเป็นผู้ดูเนี่ยกายเขาทุกข์ ใจก็ทุกข์แต่ผู้ดูไม่ได้ทุกข์เนาะอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ผู้ดูกลายไปเป็นผู้เป็นกายก็ทุกข์เนาะเราก็เข้าไปทุกข์ใจก็ทุกข์เราก็เข้าไปทุ ก, กข์กเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะเป็นสิ่งที่นี่คือครูบาอาจารย์เนี่ยก็ได้สอนสิ่งที่เรียกว่าเป็นใบไม้กํามือเดียวนะพระธเจ้าเองเนี่ยก็เคยถามเนาะพระสงฆ์สาวกต่างๆว่าเอ๊ะความรู้ต่างๆทั้งหลายเนี่ยที่เรามีเนี่ยแค่ไหนเนาะ ถ้าเทียบกับใบไม้ในป่าเนี่ยก็เทียบกันได้แต่ว่าสิ่งที่นำเอามาบอกเอามาสอนเนี่ยกับพวกสงสาวกเนี่ย <ไป S 1> ก็เป็นเพียงแค่เหมือนกับใบไม้ในกํามือซึ่งตรงนี้ใบไม้ในกํามือก็คือสอนให้พวกเราเนี่ยออกจากทุกขนะ์มันมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดเลยนะในโลกนี้เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่พวกเราควรจะสนใจกันเบื้องต้นเนี่ ย, นนยก็คือทํำยังไงถึงจะไม่ทุกข์ตรงนี้ล่ะเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยจะ พบว่าถ้าหากว่าพวกเราเนาะได้ตั้งมั่นเนาะพวกเราได้วางเป้าหมายชีวิตเอาไว้ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย <ister? S 2> การเกิดมาเป็นคนครั้งนี้เนี่ยเราจะพาตัวเองเให้ไม่ทุกข์ดูทีหนึ่งจะเป็นไปได้ไหมเนาะถ้าหากว่าพวกเราตั้งใจมั่นอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นอาชีพไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะเพียรที่จะลดทุกข์ในตัวเองและเราจะพบว่าการเพียรที่จะลดทุกข์ในตัวเองเนี่ย ไม่มีวิธีไหนที่จะตรงไปกว่าการที่หัดเป็นผู้ดูดูอะไรดูกายที่เคลื่อนไหวดูใจที่คิดนึกสองอย่างนี้เท่านั้นเองจะพาให้ตัวเราเนี่ยได้เดินไปบนเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางการพ้นทุกข์นั่นนั่นคือพระอาจารย์สุรินทร์ก็ได้พาพวกเราสวดอริยามารรคมีองค์8ดเนาะคำว่าอริยามารรคมีองค์8เนี่ยก็คือบนเส้นทางเนี้ยเนาะ ก็มีวิธีการเนี่ยหลายๆวิธีการที่จะพาตัวเราเองเนี่ยพ้นทุกข์ตรงนั้นเนี่ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้กลับไปเนาะได้กลับไปแล้วก็ได้ไปทบทวนดูพระเจ้าสอนอะไรบ้างสอนตั้งแต่พูดยังไงคิดยังไงเนาะเกี่ยวข้องกับคนอื่นยังไงจะเกี่ยวข้องกับการงานอาชีพยังไงอาชีพเนาะก็เป็นสิ่งหนึง่งการเลี้ยงชีวิตก็เป็นสิ่งหนึง่งพวกเราเองสวดกันตอนเช้ า, ชาเนาะนะว่า มีสิขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเนาะพวกเราเคยสะกิจใจคานี้ไหมเนาะพวกเราเองอาจจะมีอะไรอื่นต่างๆนานาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตไม่ช้อปปิ้งเนี่ยต้องตายแน่ๆไม่ได้ฟังเพลงต้องตายแน่ๆอะไรต่างๆนานาเ่าเนียเราเคยหลงไปเนาะว่าอืมนี่การช้อปปิ้งต้องเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ขาดแล้วต้องตายแน่ๆไม่ได้อ่านนิยายดีๆต้องตายแน่ๆตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเราหลงไป เม so so ื eh ่อเรากำลังยึดเอานิยายบ้างยึดเอาการช้อปปิ้งบ้างเป็นการเลี้ยงชีวิตแต่ตรงนี้เนี่ยการศึกษากายและใจของเราการเอาธรรมของพระเจ้าเนี่ยมาปฏิบัติตรงนี้ล่ะอยากให้มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราและเครื่องเลี้ยงชีวิตเนี่ยจะพาให้ชีวิตนี้เนี่ยไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนาะก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติกันได้ปฏิบัติกันความรู้สึกตัวมีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่มาบังคือความคิดเนาะอย่างนั้นสติมีพร้อมที่จะใช้อยู่แล้วแต่ว่าลืมใช้เพราะว่าหลงไปคิดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนาะให้พวกเราเนี่ยได้ลองทบทวนตรงนี้ดูเราไม่ได้สร้างสติแต่ว่าเราหัดเนาะหัดที่จะกลับมาดูกายดูใจเราไม่ได้สร้างความรู้สึกตัวแต่ว่าเรามีอยู่แล้วมันมีอะไรมาบังเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนาะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้เพียรเนานะ เพียงที่ถูกต้องก็คือเพียนที่จะละเนาะละความคิดเพียนที่จะสละความคิดรู้ว่าคิดเมื่อไหร่ไม่ต้องเสียดายกลับมาก่อนรู้ว่าคิดเมื่อไหร่ไม่ต้องเสียดายกลับมาก่อนมีสิ่งที่ก็อาจจะต้องพูดซ้ำกันหลายๆครั้งเนาะมีการวิจัยเนาะของต่างประเทศเนาะก็เามีการวิจัยกันว่าคนเราเนี่ยคิดวันหนึ่งเนี่ยถึงหกหมื่นครั้งเนาะ การที่คิดมันหนึ่งถึงหกหมื่นครั้งเนี่ยถ้าหากว่าด้วยใจเป็นธรรมเนาะเราลองถามตัวเองว่าเราตั้งใจคิดสักกี่ครั้งให้ไปเลย0ันครั้งเนาะแต่พันครั้งเทียบกับห0 0มื่นครั้งเนี่ย <c oughs> เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้เลยนะต้องเรียกว่าห่างไกลามากๆเลยเพราะะนท่าั้งคือใน60หมื่นครั้งเนี่ยเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยหลงไปคิดทั้งหมดไม่ต้องเสียดายความคิดที่มันแว บ, บขึ้นมาเนี่ย รู้สึกตัวได้ว่ากำลังคิดอยู่วางไปเลยกลับมาการวางก็คือกลับมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวการวางก็คือการกลับมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่จะให้พวกเราเนี่ยละสิ่งที่เราเรียกว่าหลงไปคิดเนาะเมื่อพวกเราเนี่ยไม่หลงไปคิดตรงนั้นทุกพวกเราก็จะน้อยลงการหลงไปคิดของพวกเราเนี่ยพวกเราลองทบทวนกันดูนะการหลงคิดเนจะทำให้เราเนี่ยพุกมากที่สุดนะ ไม่มีสิ่งไหนที่ทําให้พวกเราทุกข์นะนอกจากความคิดเท่านั้นเองไม่มีวัตถุสิ่งของอื่นๆที่ทําให้เราทุกข์นอกจากว่าเราชอบเราชังมันเท่านั้นเองตรงเนี้ยความชอบความชังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนาะถ้าหากว่าละเนาะความชอบความชังเสียได้ตรงเนี้ยเนาะเราก็จะทุกข์น้อยลงละความชอบความชังเสียได้เราก็จะทุกข์น้อยลง ความชอบความชังเป็นอะไรเป็นความคิ ด, คดเพราะฉะนั้ น, น, นรู้สึกตัวได้ว่าหลงไปชอบอีกแล้ ว, ลวก็กลับมาอยู่กายที่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวได้ว่าหลงไปคิดชังอีกแล้วเนาะก็กลับมาอยู่กายที่เคลื่อนไหวเรามีกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยลองรับเนาะการกลับมาของจิตเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งในรูปแบบเนาะที่พระอาจารย์กาลังสอนอยู่ก็คือ14จังมะหรือการเดินจงกรม อันนี้เราเรียกว่าการเคลื่อนไหวในรูปแบบแต่ว่าทํานองเดียวกันเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวนอกรูปแบบเนี่ยอีกเยอะแยะไปหมดเนาะตั้งแต่การเดินจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งตั้งแต่การนอนการนั่งเยอะแยะไปหมดตรงนี้มีสิ่งหนึ่งที่ในพุท ธ, ธการเนี่ยหรือว่าหลังพุท ธ, ธการก็ได้เนาะมีการบอกว่าเนาะพระอนุนเนี่ยใช่ที่จะต้องเข้าเข้าสังขยนานะ แบบว่าคําสอนของพระเจ้าเนี่ยแต่ว่าพระอา น, นุนเนี่ยยังเขาเรียกว่ายังไม่บรรลุธรรมนะพระอ น, นุนเนาะก็เพียรที่จะปฏิบัติธรรมอยู่แต่ว่าตรงเนี้ยเนาะปรากฏว่าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ก็ได้บอกได้สอนพวกเราตลอดมาว่าพระอ น, นุนเนี่ยบรรลุธรรมในขณะที่กําลังเอ็นกายลงนอนตรงนั้นอะเนาะกำลังเอ็นกายองค์นอนไม่ต้องคิดว่าอยู่ในท่าไหนเนาะไม่ต้องคิด แต่ว่านั่นคือไม่ได้อยู่ในรูปแบบไม่ได้อยู่ในรูปแบบพวกเราเนี่ยอาจจะตั้งใจที่จะยกมือสร้างจังหะกันอาจจะตั้งใจที่จะเดินจงกรมกันแต่ว่าพอเวลาที่พวกเราเดินจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งในขณะที่พวกเรากําลังตักข้าวเข้าปากในขณะที่พวกเรากําลังตักน้ําลดตัวอาบหรือว่าในขณะที่เรากำลังกัดกระดุมกัดเข็มขัดอะไรต่างๆนานาเหล่าเนี้อันนั้นะเรียกว่าอิาทธิบาลนอกรูปแบบ ตากับพวกเราใส่ใจเนาะอย่างที่พระอาจารย์พระ อ, อนุนใส่ใจพระออ น, นุ์ก็ใส่ใจนะนอกรูปแบบเนี่ยใช่ไหมก็ใส่ใจด้วยในรูปแบบก็ทํามาเพียรทั้งวันและ้วล่ะก็ขอพักก่อนนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนั้นอะ่ะก็คือสิ่งที่หลวงพ่อเขียนจะบอกว่าชั่วก็เรียกว่าช้างกระดิหูชั่วงูแลบลินขอให้เรารู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวได้ทั้งหมดเนาะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนาะ หลงบ้างรู้บ้างไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้พวกเรา่วยโอกาสนะรู้สึกตัวได้ว่ากาลังคิดอยู่เนี่ยกลับมาอยู่กายที่เคลื่อนไหวกับพริบตาก็ได้เนาะการเดินก็ได้การเคลื่อนตัวของไหลของศรีรษะเราอะไรเยอะแยะไปหมดตรงเนี้ยนะเป็นสิ่งที่จะมาลองรับเนาะลองรับเพราะฉะนั้นการที่พวกเรากำลังยกมือสร้างจังหวะกันก็ขอให้พวกเราเนี่ยเอาใจใส่นิดนึงว่าณขณะนี้เนี่ย พวกเรากําลังทําเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะอยู่หรือเปล่าหรือว่าพวกเราเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าเลื่อนไหลไปจนกระทั่งมันไม่มีช่องว่างช่องโบถ้าพวกเราเนี่ยรู้สึกตัวเป็นครั้งครั้งครั้งเนาะมีการเคลื่อนมีการหยุดมีการเคลื่อนมีการหยุดตรงนี้พวกเราจะเปิดโอกาสให้จิตที่หลงไปเนี่ยเขากลับมาได้แต่ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าเพียนที่จะรู้สึกตัวเขาเรียกว่า เข่งจ้องจนกะทั่งมันต่อกันจนไม่มีช่องว่างเลยเนี่ยตรงนี้ขอบอกให้พวกเรารู้ว่านั่นเรากาลังปิดโอกาสความรู้สึกตัวของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้นะขอให้พวกเราเนี่ยตั้งใจเลาวว่าให้พวกเราทำเนี่ยตามที่ครูบาอาจารย์บอกนะเป็นจังหวะเป็นจังหว ะ, เ ป, หวะเป็นจังหวะหรือเปล่ามีจังหวะเคลื่อนมีจังหวะหยุดไหมตรงเนี้นะถ้ า, ากว่าพวกเราทําแบบนี้เนี่ยรับรองได้เลยว่าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ย เราจะเห็นผลได้ผลเป็นวันๆบางครั้งบางคนเนี่ยอาจจะพบว่าวันนี้เนี่ยถอนหายใจน้อยลงวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถอนหายใจเลยทั้งวันเนื่องจากว่าไม่มีเรื่องอะไรที่หนักอกหนักใจแต่มีเรื่องที่เราเนี่ยรู้สึกตัวทั้งวันจนกระทั่งลืมไปเลยว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเนา <yan>. ะเราไม่ต้องคิดเรื่องนั้นไม่ต้องคิดเรื่องนี้ตแต่ตรงนั้นหละเป็นอันิสงของความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยเนาะได้เนาะ เรื่องนี้กันได้ทำเรื่องนี้กันให้มากๆแล้วก็ได้ทำเรื่องนี้กันให้เป็นนิสัยและเมื่อเราทำเป็นนิสัยแล้วล่ะเรื่องนี้จะไม่เป็นสิ่งที่ยากเย็นบางครั้งก็มีคนถามเนาะว่าการปฏิบัติเนี่ยเอ๊ะบางครูเนาะบางครูบาอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องปฏิบัติเนาะไม่ต้องปฏิบัติแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยก็ขอให้พวกเรานึกถึงเนาะณนะวันนี้เนี่ย พวกเราตั้งใจที่จะตักข้าวเข้าปากหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจเพราะเนื่องจากว่าทำเป็นแล้วมันก็ทำไปโดยอัตโนมัติหรือว่าพวกเรากำลังตั้งใจกลัดกระดุมหรือเปล่าหรือว่าพวกเราตั้งใจที่จะลูดซิปหรือเปล่าไม่ต้องตั้งใจเนาะไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะพอคิดก็ทำไปเลยคิดก็ทำไปเลยตรงนี้หละเป็นสิ่งที่นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าถ้าพวกเราเนี่ยได้ทาจนเป็นนิสัยได้ทาจนเป็นความเคยชิน ตรงนั้นล่ะจะเรียกว่าไม่ต้องตั้งใจอีกต่อไปและตรงนั้นล่ะเรียกว่าไม่ต้องปฏิบัติและตรงนั้นล่ะเรียกว่ามันไม่มีทุกเนาะไม่มีทุกจากความที่เราต้องตั้งอกตั้งใจอะไรเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนาะการปฏิบัติของเราตรงเนี้ยเริ่มต้นพวกเราอาจจะต้องตั้งใจอาจจะต้องพิจารณาตามที่ครูบาอาจารย์บอกนะว่านี่เรากาลังอืมก็เรียกว่าวางกายคลายวางใจกลางๆงหรือเปล่า หรือเรากำลังเพ่งจ้องหรือเปล่าอาการพวกนั้นเป็นอาการที่ตั้งใจเกินไปทั้งหมดถ้าพวกเราเนี่ยรู้สึกตัวได้ว่ากำลังตั้งใจเกินไปก็ผ่อนความตั้งใจลงเราจะพบว่าการผ่อนความตั้งใจลงเนี่ยทุกเราก็จะน้อยลงทันทีเพราะฉะนั้นในอิริยบทเนาะหรือว่าในขณะที่พวกเรากำลังตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยขอให้มั่นใจได้ว่าทุกของพวกเราเนี่ยลดน้อยลงไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะ ฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยเนาะได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมกันตั้งใจที่จะทําคุณงามความดีกันเพราะว่านี่คือคุณงามความดีที่เป็นความดีอย่างที่สุดเนาะความดีอย่างที่สุดก็คืออะไรก็คือทําให้ตัวเราเองไม่ทุกข์เมื่อทําให้ตัวเราเองไม่ทุกข์เนี่ยก็จะทําให้คนรอบข้างไม่ทุกข์ไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนาะก็เรียกว่าทําอย่างเดียวแต่ได้ประโยชน์หลายอย่างตรงนี้ละเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการปฏิบัติธรรม ก็คือกรรมดีจริงๆแล้วก็ตรงเนี้ยเนาะการที่พวกเราได้ฝึกสติกันฝึกความรู้สึกตัวกันก็จะทําให้พวกเราเนี่ยได้มีก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมอยู่ในทุกขณะจิตแล้วก็มีพวกเราเนี่ยก็จะได้ปฏิบัติธรรมกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในรูปแบบหรือนอกรูปแบบก็ตามแล้วก็ตรงนี้แหละจะพาให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางของเราก็คือจุดหมายปลายทางที่ไม่มีทุกข์ พ้นหน้ากันทุกๆคนก็ขอทุกเราเนี่ยก็กล <c oughs> ับพระพร้อมกัน